แม้ในพระไตยปิฎกก็มีตัวอย่างง่ายๆที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงบ่อยๆคือเหตุปรารพหรือเรื่องราวกรณีอย่างเดียวกันคิดมองไปอย่างหนึ่งทำให้เกียรติคร้านคิดมองไปอีกอย่างหนึ่งทำให้เกิดความเพียรพยายามดังความในพระสูตรว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องของคนเกียรติคร้านหรือกุษีตวัตถุ8ดอย่างเหล่านี้แดอย่างคืออะไรหนึ่ง ภิกสุมีงานที่จะต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเรามีงานที่จะต้องทำเมื่อเราทำงานร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยอยากระนั้นเลยเรานอนเอาแรงเสก่อนเถิดคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสียไม่เริ่มระดมความเพียรเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง 2. อ, อีกประการหนึ่งภิกษุทำงานเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำงานเสร็จแล้วและเมื่อเราทำงานร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้วอยากกระนั้นเลยเราจะนอนพักละคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสียสอีกประการหนึ่งภิกษุจะต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า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 เราจะนอนพักละคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสียหาอีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนไม่ได้พภชนะอย่างมองหรือประนีเต็ม ต, มตามต้องการเธอมีความคิดว่าเราเที่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนไม่ได้พภชนะอย่างมองหรือประณีเต็มตามต้องการร่างกายของเราก็เหน็ดเหนื่อย ไม่เหมาะแก่งานอยากระ น, นั้นเลยเราจะนอนพักละคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย6อีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนได้โภชนะอย่างหมองหรือประนีเต็มตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนได้โภชนะอย่างหมองหรือประนีเต็มตามต้องการแล้ว ร่างกายของเราก็หนักอึ้งเป็นเหมือนดังถั่วหมักไม่เหมาะแก่งานอยากกระนั้นเลยเรานอนเถิดคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย 7. อีกประการหนึ่งภิกษุเกิดมีอาพาธเล็กๆน้อยๆเธอมีความคิดดังนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธเล็กน้อยขึ้นแล้วมีเหตุผลสมควรที่จะนอนได้อยากกระนั้นเลยเรานอนพักสเสถิด คิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสีย 8. อีกประการหนึ่งภิกษุหายป่วยฟื้นจากไข้ไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายป่วยฟื้นจากไข่อ ย, ย่างไม่นานร่างกายของเรายังอ่อนแอไม่เหมาะแก่งานอยากระนั้นเลยเรานอนเสเถิดคิดดังนี้แล้วเธอก็นอนเสียกรณีเดียวกันทั้งหมดนี้ คิดอีกอย่างหนึง่งกลับทำให้เริ่มระดมความเพียรท่านเรียกว่าเรื่องที่จะเริ่มระดมเพียรหรืออารับพวัตถุแสดงไว้แปดข้อเหมือนกันใจความดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องที่จะให้เร่งเพียรหรืออารับพระวัตถุแดอย่างเหล่านี้แดอย่างคืออะไรหนึ่งกรณีจะต้องทำงานภิกษุคิดว่า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 2. กรณีทำงานเสร็จภิกษุคิดว่าเราได้ทำงานเสร็จแล้วก็แลขณะเมื่อทำงานเราไม่ได้สามารถมณสิกานคำสอนของพระพุท ธ, ธทั้งหลายอยกระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเถิดสกรณีจะต้องเดินทางภิกษุคิดว่าเราจะต้องเดินทางแลขณะเมื่อเราเดินทาง การมณสิการคําสอนของพระพุทธทั้งหลายก็จะทําไม่ได้ง่ายอยากกระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรกัสก่อนเถิด 4. กรณีเดินทางแล้วภิกษุคิดว่าเราเดินทางเสร็จแล้วก็แลขณะเมื่อเดินทางเราไม่ได้สามารถมณสิการคําสอนของพระพุทธทั้งหลายอยากระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเถิดห กรณีบินธบาตไม่ได้อาหารเต็มต้องการภิกษุคิดว่าเราเที่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านหรือตามนิคมไม่ได้โภชนะอย่างหมองหรือประณีเต็มตามต้องการร่างกายของเราก็คล่องเบาเหมาะแก่งานอยากกระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเถิด6กรณีบิณธบาตได้อาหารเต็มต้องการภิกษุคิดว่า เราเที่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านหรือตามชุมชนได้โภชนะอย่างหมองหรืออย่างประนีตเต็มตามต้องการแล้วร่างกายของเราคล่องเบาเหมาะแก่งานอยากกระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรเถิด 7. กรณีเกิดอาพาธเล็กน้อยภิกษุคิดว่าเราเกิดมีอาพาธเล็กเล็กน้อยๆยขึ้นแล้วเป็นไปได้ที่อาพาธของเราอาจหนักขึ้น อยา ก, กระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรซะก่อนเถอะ 8. กรณีหายอาพาธภิกษุนคิดว่าเราหายป่วยยังฟื้นจากไข้ไม่นานเป็นไปได้ที่อาพาธอาจหวนกลับเป็นใหม่อีกอยา ก, กระนั้นเลยเราเริ่มระดมความเพียรซะก่อนเถิด